สนทนาธรรมใต้ร่มโพลวิธีการที่จะนำทางเนะะี่ยค่ะอยากดูว่าขั้นตอนเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเองประสบกับตัวเองนะี่คือแบบจะให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงแบบสิ่งที่ดีบุญกุศลที่ทำมาแล้ววิธีของพระอาจารย์นะคะเริ่มต้นด้วยการนำทางยังไงคะถ้าพูดโดยหลักๆนะ ออกเป็นหลักการทั่วๆก็กคือว่าการพูดในคนนอมนึกถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้าอาจจะหมายถึงพระสงฆ์หรือว่าน้อมนึกถึงความดีที่เขาได้ทําความดีที่เขาได้ทําในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลกูกอย่างคนธรรมดาเนี่ยเช่นคนจีนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปเข้าว่าเราจะไปให้คนน้อมนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยบางทีเขาก็ใจไม่น้อมตาม แต่ว่าเราเวลาเราพูดถึงว่าเขาได้เลี้ยงลูกมาจนโตเขาได้ต่อสู้ฟันฝ่ากับชีวิตมาเขาได้ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสุดกสบายเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนทั้งโตพึ่งพาตนเองได้เขาได้อุทิศตนเองให้กับครอบครัวอย่างนี้รวมทั้งการที่เขาได้ทําความดีช่วยเหลือเพื่อนฟูงก็มีความซื่อสัตย์สุจริตในงานการการที่เราพูดถึงสิ่งดีๆที่เขาได้เคยทํา และการที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจก็จะภาคภูมิใจทั้งที่เขาเป็นครูที่ดีซึ่งถ้าเรารู้ประวัติเขา่อช่วยทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าการที่เขาเกิดมาเป็นการเกิดมาที่ที่ได้ทําความดีให้กับโลกให้อย่างน้อยทำก็ดีให้กับครอบครัวเนี่ยเราก็จะพูดถึงเนี่แต่ในขณะเวลานั้ น, นะคะ่ะคือเวทนาจะสูงมากและยิ่งไม่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมคะ่ะ จะข้ามพ้นตรงนั้นได้ยากยิ่งต้องพูดใหญ่เพราะว่าถ้าไม่พูดเลยจิตเขาก็จะไปเกาะกั บ, ะบเวทนาหรือมันจะเวทนาใช่จิตก็จะไปเกาะทุกขเวทนามันจะมีสิ่งที่ว่านิมิกรรมมนนมตมกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตก็คือนิมิตเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับการกทําดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนเราส่วนใหญ่มักจะไปเกาะกับความผิดพลาดที่ไม่ดีคุณทําความดีมาตลอดแต่มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาตาย ตอนที่พ่อแม่ตายคุณไม่ได้อยู่ไอ้พวกนี้มันเกาะจิต<ด>ขึ้นมาอะไรทานองนี้หรือว่าได้ทำอะไรไม่ดีกับลูกใช่ไหมด่าว่าลูกไม่มีอะไรให้กับลูกทำความดีมาตลอดนะแต่ว่ามันเจอตรงนี้มันก็ติดไงแต่พอเราพูดถึงความดีของเขาความดีของเขาเนี่ยมันก็ทำให้จิตเขาเนี่ยน้อมไปสู่ภาวะที่เป็นกุศลแล้วอาตมาพูดว่าหลายคนเนี่ย ไอ้ความทุรนทุรายกระสาวกระสายเนี่ยมันน้อยลงทุรนทุรายนี่หมายถึงว่าจิตเขายังไม่ก็ยังไม่วางเขายังไม่วางบางทีเวทนามันแรงอะเจ้าค่ ะ, คะก็มีทุแต่ว่าประสบการณ์ของที่ตา ม, มาพบแล้กหลายคนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความกระสาวกระสายไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาทางกายแต่เกิดจากทุกขเวททางใจเช่นมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอด แล้วก็ในรสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้ยาที่จะระ ง, งับปวดคลื่ซีเดตแต่ว่าพอให้ไม่ทันไหลเนี่ยสงบสักพักก็เดี๋ยวกระสับกระส่ายใหม่ทุรนทุลายปากแกก็ขมุกขมิบลูกดูก็ไม่เข้าใจว่าพูดว่าอะไรแต่ก็สังเกตสักพักแกพูดกับว่าเชิงใหม่เชิงใหม่หมอก็ถามว่ามันมีความหมายอะไรหรือ ป่ยกับลูกสักพักลูกก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยตั้งใจอุทิลร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่มแกเป็นคกทำแผงเพชรใช่ไหแล้วมาป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาหมอก็อเลยคู่กับกลมไขว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าว่าเป็นอะไรไปเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาก็จะรับดูแลให้เรื่องร่างกายนี้ ก็สงบเลยนะครับโดี<ก>นะจะติดแกค้างแค่เนี้ยแค่เนี้เองแต่บางคนก็ค้างมากกว่า น, นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็ป่วยเป็นมะเร็งเมงเงินกระสอบกระสายมากไม่อยากตายบอให้หมอช่วยช่วยเต็มที่เลยไม่อยากตายไม่อยากไม่อยอมรับความตายไม่ได้อาการก็เดียวกันคือกระสอบกระสายซึ่งหมอก็มีมาตรฐานการรักษาแล้วคือว่าการให้ยาที่ระงับปวดแต่ก็จะไม่ได้ผล พยาบาลก็ไปคุยกับคนไข้คนไข้ก็บอกว่ายัางตายไม่ได้เพราะไอ้ห่วงลูกลูกมีสองคนพี่ผู้ชายซึ่งตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในความดูแลของญาติแล้วก็ของพยาบาลซึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนห่วงลูกพยาบาลก็บอกว่าอย่าห่วงลูกเลยนะลูกเป็นคนดีและเธอก็เป็นคนดีถึงมีคนที่เขารับเอาลูกไปเลี้ยงใช่ไหมขอให้มั่นใจให้มั่นใจในตัวลูก อหอยมั่นใจในความดีของตัวเองอเกก็สงบลงเกบอกเนี่ยความทุกข์เบาบางเป็นร้อยแตแต่ยังมี 20% ก็คือว่ากลัวว่าจะตายแบบทุกข์ทรมานพยาบาลก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีนะทำความดีมาตลอดอย่าได้เป็นห่วงยังไงเนี่ยพยาบาลก็จะอยู่ช่วยเธอตลอดเวลาแก๋ก็สงบลงเลยนะ สงบลงตอนหลังเนี่ยพอแกกลจะตายนี่แกก็ต่อแต่หน้ากากเครื่องช่วยใจออกแล้วก็บอกลาคนเพือจะไปยังสงบแล้ววานางแค่ไหนคะที่พระอาจารย์เป็นผู้นําทางที่จะดูแลผู้ป่วยก่อนที่จะตายก่อนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ขึ้นมาคะ่ะปีสีมาอยู่ทั้ง1ปี4ี่ห้าสนะี่หนะแต่ต่อมาก็จริงๆแล้วงานไม่ได้ชุกเรื่องนี้นะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าจะแนะนําจะให้ความเห็นจะช่วย แต่เรื่องของการช่วยนําทางผู้ใกล้ตายเนี่ยก็มีอยู่บ่อยๆสักประมาณได้ไหมเจ้าคะว่ า, ปาไปแล้วประมาณเพ <laughs> ียงเท่าไรก่อนมออไม่ทราบแต่ว่ามักจะพูดรอเล่นกันว่า <laughs> คนไหนที่จะมาไป <laughs> เยือนมักจะอยู่ได้ไม่นานคือมีการแนะนําก่อนหน้านั้นไหมคะคือถ้าไปแนะนําในวันที่เขาจะเสียเลยเนี่ยมันจะต้องมีการแนะนําอะไรกันมาก่อนได้คุยกันบางใช่ก็จะบอกบอกแนะนําญาติของเขา ให้เขารู้วิธีพอ่อจะมาจะย้ำแล้วก็บอกกับหลายคนว่าคนที่แนะนำคนที่จะช่วยคนไข้าตายสงบเนี่ยคนที่มีบทบาทมากเนี่ยคือญาติไม่ใช่พระอย่าไปหวังพึ่งพระเพราะว่าพระเนี่ยท่านไม่รู้ประวัติของคนไข้ดีนะและคนที่จะรู้จักจิตใจของคนไข้ดีเนี่ยรวมทั้งรู้วิธีที่จะปลดเปลืองสิ่งค้างขาดใจเนี่ยคือญาติ พรบางครั้งเนี่ยความค้งคาดใจเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างคนไข้กับญาติอย่างเช่นมีหนุ่มคนนึงเนี่ยแกประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็สมองกระ ท, ะะทะั่งแทกโคม่าพ่อเนี่ยก็พยายามให้หมอเนี่ยช่วยเต็มที่ยอมรับความตายของลูกไม่ได้คนไข้เนี่ยแกไม่ตอบสนองแต่ตากระเปิดตาเปิดเนี่ยคือว่า ช่วงที่พ่อโคม่าเนี่ยแต่เปิดตาลืมตาอยู่อาการก็หนักแต่ว่าแ ม, ม่ก็มีการพยายามที่จะยื้อยุดเอาไว้พ่อทีแรกเนี่ยไม่อยากให้ลูกตายแต่ตอนลังเห็นลูกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ายื้อไม่ไหวแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมไปเสร็จแล้วแกก็ได้คุยกับลูกมีสื่งที่ค้างคาใจพ่ออยู่ก็คือความรู้สึกที่พ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกไปเพราะพ่อเนี่ยมีความรู้สึกผิด ที่ว่าตอนที่ลูกอยู่เนี่ยไม่มีเวลาให้กับลูกไม่ได้เลี้ยงลูกดีพอไม่ได้ใส่ใจลูกทะเลาะด่าว่าลูกแล้วนี่คือเหตุผลที่ทําให้พ่อเนี่ยยอมรับความตายของลูกไม่ได้แต่ตอนที่ลูกกําลังจะจะแยกเนี่ยคงมีคนแน่แกก็เลยพูดถึงความในใจขอโทษลูกว่าตอนนี้ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกนะขอโทษลูกที่ได้เคยด่าว่ากล่าวลูกแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยไปสงบ เพอพูดจมเนี่ยลูกแกก็ลมหายใจก็หมดไปเลยนะฮะแบบนี้เนี่ ย, เ, ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีลายเป็นพี่ของเพื่อนแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็พยายามรักษาด้วยวิธีการต่างๆมากมายแต่ก็ไม่หายแล้วก็เป็นวิมาสี่ห้าปีเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องท่อน้ำดีอุดตันซึ่งทาให้พิษเนี่ย มันแพร่ซ่านไปทั่วตับตับก็จะแย่ต้องรักษาโยงคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่รักษาแล้วเพราะว่าไม่อยากทุ่มาเป็ น, นี้แล้วอยากจะกลับบ้านใช่ไหมบอกว่าถ้าคุณไม่รักษาเนี่ยคุณจะทุรนทุลายนะเพราะพิษมันจะเต็มทั่วร่างกายคุณคุณจะอยู่ได้ไม่เกินเจวันถ้าคุณไม่เบลอหมดสติคุณก็ทุรนทุลายรกระสับกระสาย <c oughs> แต่ว่า คนไข้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะขอกลับบ้านไปตายที่บ้านแล้บอกว่าตลอดเจ็ดวันเนี่ยนะญาติแม่พี่น้องสามีลูกหลานก็มาห้อมร้อมเป็นกำลังใจไม่ได้เป็นกำลังใจใเฉยชักชวนคนไข้ทำวัดสดมนมนะแล้วก็ทุกวันทำสมาธิบ้าง แล้วก็พอสองสมสุดท้ายเนี่ยก็ชวนคนไข้เนี่ยนะให้น้อมถึงพระรัตนตรยัยให้เอาพระตัตไตรัยเป็นที่พึ่งให้เดินตามพระรัตนตรยัยคือพระผู้ป็ธรรมพระสงค์ไปอย่ากลัวและขณะเดีวกันเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยให้โหษิให้โสหโสีแก่ทุกคนรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรและขณะเดียวกันญาติญาติก็มาขอขอมาอมข อ, อาโอษีด้วย ว่าสุดท้ายเนี่ยนะเจ้าตัวก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมตอนเที่ยงยังของกินข้าวอยู่เลยแต่พอให้กินข้าวไปใต้คำสองคำก็ก็ไม่ไหวตอนบ่ายญาติาตเนี่ยก็ชวนกันสวดมนต์พันจบนะแบบจีนนะนะสั้นๆพันจบ ก, ก็ยังรู้ตัวดีแต่พอสวดไปได้สั600กหก0้อจบเด็กก็นิ่งไปแล้วพอไปดูปรากฏว่าหมดลมแล้วแต่ว่า ยัดย้ก็ยังตกลงว่าจะสวดต่อจนครบพันจบเป็นของขวัญสุดท้ายให้กับคนไข้คนไข้เนี่ยรู้ตัวเกิดจะตลอดเลยใช่ไหมตรงกระทั่งเกิดเวลาที่สุดท้ายหมดลมแล้วก็กรนิ่งเนยหมดลมแล้วก็ไม่รู้ตัวไปแบบนิ่งเนี่ยซึ่งหมอเนี่ยก็งงเพราะหมอบอกว่าจะถ้าไม่เบลอหมอจะก็เออเดี๋ยนี่เกจะรู้ตัวจนเกิดจะ 5- ้าสนทีสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเนี่ยโดยความรู้มือของญาติ พระไม่ได้ยุ่งเลยใช่ะอาตมาก็เคยไปเทพให้กับคนไข้รายนี้อยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ช่วยจริงเนี่ยคือญาติเทคนิคก่อนนะนัินจงเราจะช่วยใครรู้ตัวจะได้เตรียมตัวแล้วช่วยเราไปช่วยแบบบางทีเราก็จะได้ทำเนี้ยนะเผื่อพ่อแม่เราจะได้รับอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุอาจารย์เดี๋ยวเคสนี้ไปนะของโยมด้วค่ะไปเก็บจำปาเช้ามืด คืกิ่งที่แกยืนหักมันหักมันหักแกก็คว้าปรากฏว่าไอ้กิ่งที่คว้าก็หักแกก็เลยลงมาแล้วลงแล้วต้นยำปลาเนี่สูงใหญ่มากต้องขึ้นบันไดไปถึงจะไปเก็บดอกได้แค่ทําเนี้ยมาตลอดพอตกลงมาเนี่ยมันก็เป็นทางถนนออกประตูบ้านเนี่ยเป็นปูนซีเมนมันก็ดังพักใหญ่ม า, ากเรากําลังถุงข้าวเช้าตกใจต้องไปดูนะฮะปรากฏว่าเลือดออกที่หูนะคะแล้วไม่รู้ตัวทันทีแล้วปรากฏว่าริมเอ็กตรงเนี้ยค่ะ ไอ้ซ hey, ีโคเนี่ยหักหักไปแท่งแทงปบอดคือลงข้างหมดเลยด้านนี้คุณแม่ก็เอาไอ้แปะไอ้อิวนี่ให้ดมแกเอามือปัดแกเอาข้างเนี่ยปัดปัดก็ส่งสิริราชสอนบ้านช่างหล่อซึ่งไม่ไกลพอไปถึงเขาเขาก็ดูม่านตาแสดงเพราะม่านตามันขยายเนี่ยมันก็หมดหมดทางแล้วเพราะเลือดออกยาติก็ไปส่งด้วยความตกอกตกใจเขาก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยสงสัยไม่รอดแต่อยากขอดวงตาเพราะดวงตาดีมากขอดวงตาได้ไหมไ คนไข้ก็จะหมดลมอยู่แล้วล่ะนะไม่มีโอกาสแล้วเขาก็บอกว่ามีอาการยังไงที่เขาพบมากเมียเขาเนี่ยไม่ให้เมียเ้าร้องหมร้องไห้เป็นลมพับแล้วพับอีกอยู่อย่างนั้นไม่ให้เขาขอดวงตาเพราะไม่ให้ก็หมดลม <S <S <อ>คืนนั้นเนี่ยเขาไปเข้าฝันพระที่วัดละคังนะะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลสิริราชเอาดวงตาใส่มือไปให้พระ รับพระรูปนี้นะคะท่านมารับบาด ท, ที่บ้านนาประจําแล้วท่านก็หยุดไปบ้างมาบ้างท่านไม่รู้เรื่องตายของนาเลยท่านก็มารับบาดเมื่อคืนฝันว่าเอมเอาชื่อชัเอ็มนะเอาดวงตาใส่มือไปให้บอกผมมาถาวายให้ท่านแสดงว่าจิตเขาให้นะหลวงพอ่อใช่ทำไมเขาละแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยหมดไปแล้วนะคะเพราะตอนหลังวิญญาณมันลอยออกมายังรับรู้เนี่ยจ้ะยังบอกยังอยากถามหลวงพ่ออยูอ่เนี่ยะ โอ้ขี่ตอนนั้นยังคงยังไม่ไปคงยังไม่คืหมอมาขออะไรี่หมอคือจิตรอยมารับรู้แล้วจิตรับรู้แต่จิตให้จิดเข้าให้เพาคงได้ทําบุญอ่ะปรากฏว่าไม่ได้ให้กันน่าเสียดายมากคือเราไม่เข้าใจเพราะว่าคนใกล้ตายเนี่ยเขากลัวว่าไปคาดหน้าไปตาบอดอะไรพงเนี้เขาคิดผิดมากๆเลยเเป็นพยาบาลเนี่ยนะคะอาจารย์พอเรามาปฏิบัติเร้่เรารู้เลยว่าโอเคในกําลังจะไปแล้วเราญาติเข้ามายืนอยู่ ญาติก็จะร้องไห้ท่ายเดี๋ยวพรรูกก้ว่าจะไปเราเลยบอกว่าอย่าร้องไห้เลยจิตเขาลอยออกมาอย่างเงี้ยเขาไปฟังพระอาจารย์บุญฤหรือท่านบอกลูกที่แม่สนิทสนมที่สุดให้คนเนี้บอกทางนะไม่ต้องไปถูกเนื้อต้องตัวเลยให้แม่ประคองใจเองแล้วจิตที่เขาลอยออกเนี่ยให้ลูกคนเนี้บอกทางแม่พุทโธพุทโธนะแม่นะพุทโธ ตลอดเวลาเงี้ยหรือเปิดตรวจนมลให้ได้ยินก่อนที่จะไปให้ประคองไปเองเนี่ยเราก็ไปบอกเข้าทําอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีเทพไม่อะไรเดนก็เลยไปบอกเองอาพุทโธไว้นะคะอย่าไปสนใจเลยร่างนี้มันเจ็บมันปวดทิ้งเลยทิ้งเลยนะคะอย่าห่วงนะทิ้งนะแล้วไปกับพุทโธเลยพุทโธไปเรื่อยๆค่ะพุทโธเรื่อยๆเราบอกอย่างนี้เลยนะนี่คือพยาบาลแล้วแต่งชุดพยาบาลด้วยคือบอกเป็นเวรตรวจการอยู่ตอนนั้นนะคะก็ปรากฏว่า สิ่งที่รู้ว่ามันไข่ไปแน่พยาบาลเนี่ยเขาเดินน้องพยาบาลเอายามาฉีดมันไหลออกนอกเส้นหมไม่รับแล้วอะเราก็เรียกว่าไปแน่นะเร์เบอกเลยตรงนั้นจนกระทั่งแกปายหมดไปยอมก็ ย, ยังดีใจยังเลือกว่าได้เราตายอะ่ะให้มันมีทางไปเลยด้ยวยแล้วเรานะคะแต่เดิมที่ทราบมีมทีมเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยเป็นหมอพยาบาลที่เขาจัดโครงการนี้อแล้วเป็นโครงการที่เขาจะคุยกับคนไข้ที่เขาเรียกว่า หมดหวังนะครับพ่อแล้วพวกนี้เขาจะเริ่มทําใจเพราอยากคุยกับหมอพยาบาล<ม>เวลาเขามีปัญหาจะบอกพยาบาลตามเลยสิตามพยาบาลคนนี้หน่อยตามหมอคนนี้หน่อยสิเขามาคุยด้วยแล้วสบายใจจังสบายใจจังขเขาก็จะต้องพยายามหาทีมให้ใหญ่ขึ้นโยมก็ถูกต่าง ไ, <ห>ไปเรือ่อยๆโรงพยาบาลภูมิพลอายอตอนนี้มีทีมนี้ค่ะดีอืมมีทีมที่จะคอยอธิบายให้ญาติฟังว่าญาติเนี่ยจะต้องทําใจนะ ไม่ช่วยใช่ไหมเอาไม่ช่วยแน่นอนแล้วไม่ช่วยพอคนกข้ใกล้ไปเนี่ยเราก็ไม่ปิดฉากแบบไม่ให้เขาไปเห็นกันเลยไม่ใช่ให้ญาติเขาไปบอกทางนะถ้าเพียงท้าพูดแล้วก็ถ้าคุณร้องไห้โหเลยเขาไปกับร้องไห้ไปไม่ดีนะเราจะบอกอย่างนี้คือเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าสำคัญที่สุดของคนที่จะบอกคนที่อยู่ใกล้ตายเนี่ยคือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแต่นี่คนที่จะตาย ที่เราเห็นในปัจจุบนะันในส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาลราะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิด น, นะบางครั้งไม่ได้ตายในเวลาที่ญาติมาเยี่ยมมีแพทย์มีพยาบาลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพระอาจารย์อุ้ปคะคะที่เห็นว่าในกลุ่มพวกเนี้เราเอามาแนะนําเพื่อที่จะบอกทางกับคนตายอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็มีแพทย์พยาบาลจานว น, นมากที่ตระหนักถึงปัญหาผู้ป่ยระยสุดท้ายแล้วเขาก็พบว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์มีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายหรือแม้แต่จะประครับประคองให้เขาไปดีเนี่ยมันต้องการอะไรที่มากไปกว่าเทคโนโลยีก็คือเรื่องการเยียวยาทางจิตใจตอนนี้เนี่ยก็มีพยาบาลหลายคนรวมทั้งหมอด้วยเนี่ยสนใจการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายในแง่จิตใจซึ่งก็ทําให้ โครงการที่จะมาดูแลเนี่ยคือโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยตอนนี้ก็เลยจัดกิจกรรมการอบรมเริ่มมานานหรือยังเจ้าค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี4ี่นะเราก็ทํามาแบบทีแรกปีแรกๆ ก, ก็ทําแบบปีละไม่กี่ครั้งตอนหลังเนี่ยในช่วงสองปีหลังนี้ก็ทําทุกเดือนเป็นยังไงคะระยะแรกนี่คือพระอาจารย์ไปให้การอบรมที่โรงพยาบาลหรือว่าเขามาอบรมกันที่วัดเจ้าค่ะเราจัดอบรม ในที่ที่สะดวกเช่นอาจจะเป็นสถานที่สัมมนาครั้งแรกว่าประชาสัมพันธ์กันยังไงเจ้าค่ะที่มาครั้งแรกนี่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุขนะเราจัดที่ไบเทคตอนนั้นก็มีกิจกรรมหลายด้านเจ้าค่ะการระดมเพื่อช่วยผู้ป่วยให้ตายสงบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมนี้ใครเป็นคนเสนอกิจกรรมที่เข้าไปในนิทรรศการนั้นเจ้าค่ะตอนนี้เนี่ยมันมี สำนักยุทธศาสตร์และแผนนโยบายของกระทรวงสาธารณ ส, สุขก็ทําเรื่องนี้ก็สนใจคุณหมอโกม่าจึงเสียสรรซัก้อนนี้เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้นะแล้วก็คือปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แพทย์พยาบาลเนี่ยเขาสนใจมานานเพราะาเขารู้สึกว่ามันมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งกันตรงนี้ก็เยอะแต่ว่าปัญหาที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยตายแบบทุรนทุรายซึ่งเขา ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ก็คิดว่าการที่ผู้ปว่วยตายสงบนี่น่าจะดีกว่าแล้วก็มักจะพบว่าผู้ป่วยจํานวนมากเนี่ยญาติก็อยากจะยื้อให้อยู่ไปได้นานๆซึ่งก็สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยมากแต่ถ้าเกิดญาติเข้าใจว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยเขามีอายุยืนยาวบางทีมันเป็นการยืดความทุกข์ทรมานซึ่งการที่มีลมหายใจยาวขึ้น สวันสมวันหรือ1อาทิตย์เนี่ยบางทีมันสู้การที่เขาเจับไปอย่างสงบไม่ได้แม้เขาจะจาบไปอย่างเร็วกว่าการยื้อชีวิตแต่ว่าถ้าเขาเจับไปอย่างสงบอันนี้ดีกว่าคือถ้าเรารู้ว่าเขาตายแน่ๆเนี่ยไม่ต้องไปเยอะแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าทําไปแล้วจะรอดมีโอกาสรอดมันก็น่าที่จะพยายามช่วยเหลือตอนนี้ในกรณีที่คนไข้นอนแล้วมีเครื่องช่วยหายใจ แล้วก็เขาบอกว่าถ้าถอดเมื่อไรเนี่ยพวกนี้คือหยุดหายใจแน่นอนก็จะมีพยาบาลบางกลุ่มที่เคยมาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นพ้องต้องกันใน i อ u ตรงนั้นขอดึงเครื่องช่วยหายใจออกเพราะรู้ยังไงคนไข้ก็อยู่แบบทรมานตรงนั้นเนี่ยคนไข้ยังไม่ได้ถึงว่าร้าตายแต่ไปดึงท่อออกพระอาจารย์คิดตรงนี้ยังไงเจ้าคะ่ะคือกรณีนี้มันก็ มีรายละเอียดอยู่อยู่ไปน้อยเพราะว่ามีผู้ป่วยบางประเภทที่อาจจะถึงแก่ชีวิตแล้วแต่ว่ามีการพยายามใช้เครื่องช่วยชีวิตใช้การกระตุ้นหัวใจใช้เครื่องช่วยหายใจนะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยให้เขาจากไปอย่างธรรมชาติเนี่ย ก, ก็คงจะไม่สามารถจะอยู่ได้เรามองได้หลายแง่ในกรณีนี้คือการถอดเครื่องหายใจ เราจะมาว่าเป็นการช่วยเขาได้กลับคืนสู่การจักไปยังธรรมชาติก็ได้อย่างถ้านอาจาพุทธทาสเนี่ยในช่ว ง, รงแรกก็พยายามยื้อชีวิตเอาไว้ทางด้านที่ท่านก็มีคําสั่งจริงๆในครูบาอาจารย์หลายหลายรูปเลยนะเจ้าค่ะที่เห็นว่าพยายามที่จะยื้อท่านเอาไว้โดยใช้สารพัดที่จะเข้าไปช่วยท่านและไม่ปล่อยให้ท่านปฏิบัติได้ถึงตรงสุดท้ายจริงๆ ตรงนี้บาป ก, กับลูกเสียไหมเจ้าค่ะก็ความปรารถนาดีแต่ว่าก็จะทําให้ท่านไม่สามารถที่จะจากไปอย่างสงบได้ก็นี่อย่างกรณีจาจ้าพุทธาตุนี่ท่านก็ทีแล้วก็มีการพยายามยื้อชีวิ ต, วตท่านาไว้แต่ตอนหลังก็ยื้อไม่ไหวก็พาท่านส่งกับสนโมโอกระบวนการช่วยชีวิตด้วยเครื่องเทคโนโลยีก็เป็นนัยยุติท่านก็ค่อยจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปอย่างเป็นธรรมชาติตามที่ท่านต้องการ ตอนนี้คำถามก็คือว่าการที่เราเอาพ่อช่วยให้ใจออกเนี่ยมันจะเป็นการฆ่าไหมอรรมาคิดว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าเราจะมองว่าเป็นการพยายามช่วยให้คนไข้นี้เขาได้กลับคืนสู่ภาะวะการตายแบบธรรมชาติก็ได้ให้จังหวะการตายให้จังหวะชืวิตเขาเป็นไปอย่างตามธรรมชาติมีพยาบาลบางคนก็ไปถามญาติแล้วยาติก็กลับมาถามบอกว่า พยาบาลถามว่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจไหมคราวนี้เป็นการตัดสินของญาติแล้วว่าจะให้อยู่หรือไม่อยู่แล้วเขาจะทำยังไงเขาควรจะให้คุณพ่อคุณแม่เขามีต่อไหมในความเป็นจริงนี่ก็มีบางเคสที่ทำอย่างนั้นแล้วก็รอดอยู่ได้เป็นปีก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยในกรณีที่เป็นคนแก่เป็นคนสูงอายุนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ ที่เรว่าย่าเ ก, กิดแต่การตัดสินใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝ่ากเป็นข้อคิดก็คือว่าญาติเนี่ยส่วนใหญ่ที่คิดเช่นนั้นเนี่ยคือช่วยยื้อชีวิตเอาไว้เนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อยื้อชีวิตเนี่ยเพราะคิดว่านั่นคือวิธีเดียวที่จะช่วยคนไข้แต่ที่จริงแล้วยังมีอย่างหนึ่งที่ญาติสามารถจะช่วยได้คือการช่วยเขาจากไปอย่างสงบ <Okay. S 1> หรือการช่วยเหลือด้านจิตใจคือมิติด้านจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ขานหายไปเวลานี้เนี่ย ใครๆก็ตามคิดอยากจะช่วยโดยคำนึงแต่ในเรื่องร่างกายก็คือทําให้มีลมหายใจให้ยาวที่สุดให้ยืนนานที่สุดแต่ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยสำคัญมากคือเรื่องการช่วยเหลือทางจิตใจซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีไหนจะช่วยได้และแพทย์เพยาบาลเนี่ยก็ช่วยได้ไม่เท่าญาติคนนี้ญาติเนี่ยอาตมาพบว่าเขาเขารู้ว่าเขายังสามารถช่วย คนไข้ได้โดยพันในเรื่องของจิตใจเนี่ยหลายคนก็ยอมนะที่จะไม่ยื้อชีวิตของคนไข้เอาไว้แต่จะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการที่พูดคุยกับคนไข้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยอย่างมีคุณภาพกับคนไข้เช่นอยู่กับคนไข้คุยกับคนไข้พูดถึงความรู้สึกดีๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับคนไข้ ถ้าไมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยคนไข้นี้ก็เป็นโรคไตาวายแกก็ต้องพยายามที่จะมีการฟอกไตซึ่งสิ้นเปลืองเงนละทุกข์ทรมานมากอาการก็ไม่ไหวแต่ว่าลูกก็ยังอยากจะให้ให้ช่วยอยู่คุณหมอนี่ท่านก็รู้ดีว่าไอ้การทําเช่นนั้นเนี่ยมันก็คงจะไปได้ไม่ถึงไหนเราก็สร้างความทุกข์ทรมานกับคนไข้แต่ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่บอกว่า ในช่วงเวลาสําคัญอย่างนี้เนี่ยมันมีอย่างที่ญาตสามารถช่วยได้ก็คือการที่ช่วยให้เขาจากไปอย่างสงบอย่างที่ทมาพูดเมื่อกี้เนี่ยญานี่เพราะเขารู้ว่ามันมีอีกวิธีนึงที่เตืองสามารถช่วยได้ก็ตกลงตัดสินใจว่าไม่ไปปัม๊มไม่ไปกระตุ้นในการยื้อชีวิตเอาไว้อ้อยเวลาอยู่กับพ่อได้คุยได้อยู่กับพ่อจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วเขาก็มีความปลื้มปิติที่ว่าในช่วงที่สําคัญ ก็ได้อยู่กับพ่อแล้วก็ได้พูดถึงความในใจก็ได้บอกทางคนไข้ธรรมะคิดว่านี่นี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งญาตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนใหญ่คิดว่าทางเดียวที่ช่วยในใคนไข้ได้คือว่าปั๊มเต็มที่อย่างนี้แต่เขารู้ว่าเอ้ยมันมีวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือให้เขาจับไปสงบแล้วก็หลายกรณีเนี่ยนะเราพบว่า้การที่พูดกับคนไข้เนี่ยแม้จะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายเนี่ย มันช่วยทำให้เขาจากไปสงบได้ถ้ารู้วิธีใช่ไหมเ mm hmm. ช่นการที่ได้พูดถึงความในใจให้เขาน้อมึถึงสิ่งที่ดีและการพูดบอกทางเขาให้เขาเกิดความรู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันมีอำนาจมากกว่าเทคโนโลยียกตัว อ, อย่างเช่นมีกรณีหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนพาทธอลายฟังคราวนี้นก็ไปดูแล หลวงพ่อคำเขียนซึ่งเป็อาจารย์ธรรมาที่โรงพยาบาลจุฬาเพื่อนห้องข้าวเนี่ยประมาณตีสองเนี่ยคนไข้เนี่ยทำท่าจะไม่ไหวย่าก็เลยมาหาพระรูปนี้แหมพระอยู่ใกล้ๆใช่ใ<น>บอกว่ามาช่วยรับสังฆทานหน่อยอาาเพราะคนไข้เนี่ยไม่ไหวนะเป็นคนุณยายกระสับกระสายแล้วก็ยาก็เอาไม่อยู่ก็มารับสังฆทานท่านก็มารับสังฆทาน น, นนะ แต่ว่าท่านคิดว่าในเฉพาเชนนี้เนี่ยทําได้มากกว่า น, นั้นท่านก็ได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยชอบทําบุญชอบใส่บาทแล้วชอบไปวัดไตรมิตรไปทําบุญไปทำสมาธิที่วัดไตรมิตรไปกราบไหว้หลวงพ่อทองที่วัดไตรมิตรก่อนที่จะแนะนําใครเนี่ยต้องถามข้อมูลก่อนอจากญาติข้อมูลทั้งหมดนี่ได้มาจากญาตใช่ลเลยท่านก็บอกว่าเออโยมนที่วนพระนะเอายโอมก็เตรียมตัวใส่บาทพระนะ อโยมคดข้าวใส่ขันเตรียมดอกไม้ทุบเทียนพร้อมหรือยังโอ้โหจินตนาการน้อม<ห> น, นําเ<ห> น, นี่ยพร้อมน้อมนำระหว่างแล้วเนี่ยพอไปในสักพักเนี่ยโยมนี่แก น, นิ่งเลยแล้วแกก็พนมพนมอ <c oughs> ือพนมมือคือพอคิดถึงพระนี่คาววาชาวบ้านแล้วก็พนมมือนะ <c oughs> แล้วก็บอกอ้โยมนะตอนนี้ก็เดินไปหน้าบ้านนะมองไปทางขวาเลเห็นพระไหมไม่เห็น โยมบอกไม่เห็นมองทางซ้ายสิเห็นไหมเห็นแล้วนมองโยมเห็นด้วยค่ะพอที่บ้านเนี่ยพระก็จะมาทางซ้ายใช่ออไหมจิตนี่ยลองกลับไปสู่ชีวิตที่เคยทําความดีที่เคยทําก็ใส่บาตทีละรูปทีละรูปทีละรูปพระท่านก็พูดนำเอาโยมใส่บาตนะอ๋อถวายดอกไม้ด้วยพระต้องเป็นนักจินตนาการด้วยนะเจ้าค่ะโยมแกจินตนาการไปเลยก็หยุด ไม่ไม่กระสอบกระสายเลยให้ออกจากกายเล ย, เลยจิตน้อมไปตรงนั้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็บอกอ่าหลังจากที่ใส่บาดกล่าวรูแล้วก็บอกเอายมตอนนี้ไปนะวาาัดไตรมิตรไปนั่งวาาัดไตรมิตรอะไปกราบพราหลวงพ่อไตรมิตรแล้วก็สงบเลยนะท่านก็ไม่ได้ทําอะไรมากแต่ว่าท่านได้นําเอาความประทับใจหรือสิ่งดีๆที่โยมเคยทําเนี่ยตอกเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องน้อมจิตให้เกิดความสงบความทืน่นทุราเนี่ยหมดไปเลย แล้วในไม่กี่ชั่วโมงนั้นโยมไว้ก็ไปอย่างสมงบบุญสุดท้ายจริงๆเลยที่เขาได้เจอนะคะไม่ได้นำจิตวิญญาณนี่แล้วแต่กุศลใครกุศลมานะันเนี่ยสร้างมาแล้วสุดท้ายจะไปเจอใครไปเจอวิบากไปเจอคนที่ทำให้เราจิตตกหรือไปเจอคนที่จะยกเราขึ้นไปสู่สุคติแต่ก็ต้องมีมีบุญที่เคยทำไว้เป็นพื้นเป็นทุนไว้ก่อนอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าบุญย่อมนาให ประสบสุขในยามสิ้นชีวิตคือในยามสิ้นชีวิตเนี่ยคุณมีโอกาสประสบสุขได้โดยพระตะคุณมีบุญที่ทําไว้ก่อนแล้วความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวความตายอาจจะหมายถึงภาวะที่มีความสงบอย่างยิ่งก็ได้โดยเพราะถ้าใจรู้จักวางให้เป็นนะในกรณีนี้เนี่ ย, ยต้องมีคนช่วยซึ่งคนช่วยเนี่ยจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นพระหรือว่าอาจจะเป็นญาติหรือเพราะในกรณีที่บางคนเนี่ยเขามี เรื่องค้งคาใจเนี่ยเราจะช่วยเขาได้มากนะเพราะว่าถ้าเขามีเรื่องค้งคาใจเนี่ยไปไม่สงบนะยังมีมีโยงคนนึงเนี่ยกแกแกเป็นมะเร็งเป็นผู้หญิงนะแกเป็นมะเร็งตายตอนสามทุ่มเช้าวสว่างตายยังไม่ปิดเลยฮะ <us> พยาบาลพยายามปิดตาตาก็เปิดขนาดตายไ ป, ยปแล้วตายไปแล้วตัวพี่สาวเนี่ย ก็เฉลียวใจก็นึกขึ้นได้ว่าสงสัยแกคงยังห่วงลูกเพราะว่าตอนที่ป่วยหนักเนี่ยก็พูดถึงลูกลูกมีสี่คนสองคนติดยาใช่ไหมกูสุท้องเนี่ยอายุเก้าขวบไม่รู้ว่าใครจะดูแลแกก็จุดทูบบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะจะช่วยดูแลลูกให้เสร็จแล้วก็พอพูดเสร็จรับปากเสร็จปิดตาโอ้โหปิดตาได้ฮะตาปิดเลยฮะนี่ยืนยันหลังตายด้วยนะ คือเนี่ยคนเราเนี่ยบางที ม, มีมีเรื่องข้างขาดใจบางอย่างซึ่งหน้าที่ของเราของญาติเนี่ ย, ยก็คือช่วยทําให้เขาปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าเขาปล่อยวางได้เนี่ยก็ไปสงบหมู่บ้านของอตมานเนี่ยมีโยมหนึ่งแกชื่อยมฟันแกก็เป็นมะเร็งปอดแล้วก็สุดท้ายก็มารักษาตัวที่บ้านมาเตรียมตัวตายที่บ้านพระก็ไปคุยให้ปล่อยวางแล้วก็ตอนที่วันสุดท้ายเนี่ย พ อ, อาการแกเริ่มแย่แล้วเนี่ยตัวสามีโทรศัพท์เรียกลูกเลยกหลานมาลูกก็มากันเกือบหมดขาดคนหนึ่งแกก็เฝ้าคอยแล้วก็ตอนค่าๆเนี่ยก็บานเกือบครบขาดคนเดียวนี่นแกก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนี้สามีก็ได้รับการแนะนำจากพระเนี่ยบอกให้ปล่อยวางก็บอกว่าอย่าไปต้องห่วงลูกนะลูกเขาดีแล้วไปดีแล้วนะขอยเราปล่อยวางลูกไปเถอะ ยังไงลูกก็ามาแน่นะแกก็ปล่อยวางแกก็ล้ลงไปนอนถ้าพักก็ไปถ้ามีคนเตือนไปสงบเอเนี่ยคื อ, อคือเนี่ยถ้าเกิดมีคนมาช่วยชีวนะม่มีคนเตือนะให้เขาปลดปล่อยตรงนั้นเนี่ ย, ยมันก็ ย, ออยังยืดที่ทําให้เขาตายแล้วบางทียึดนะบางทีทําให้บางคนเนี่ยไม่ตายง่ายอย่างที่มีดีเจคนหนึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแกเป็นดีเจชื่อดังมาแกก็ขยันนะเป็นดีเจยอดนิยมทํามาหากิน ยันขันแขน็งสร้างบ้านไปเรือนหอเตียมแต่งงานปรกากฏแกเป็นมะเร็งอาการก็หนักสุดลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าร่างกายเอาเวลทุกส่วนเนี่ยหมดไปเลยตายหมดแต่หัวใจยังเต้นหมอแปลกใจมากปรกากฏข้างๆเนี่ยแฟนที่ยังไม่ทันจะได้แต่งงานก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้โอ้ยังร้องอยู่ข้างๆบอก อ, อ, อ, อย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไป อ, อ, อย่าพิ่งไปแต่พอรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วมันทรมานมันหลายวันแล้วนี่ เขาก็บอกมันก็ไปเถอะเมียเธอทรมานแล้วหัวใจหยุดเต้นเลยฮะอืไปเลยน่าใช่สั่งกายได้ใช่บางทีเขาไม่ยอมไปนะเขายอมไปเขาคอยเลยบางอย่างนะบางทีไปไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างเนี่ยยังห่วงกังวลหน้าที่ของผู้ที่ยังอยู่เนี่ยคือช่วยเขาปล่อยวางแล้วก็อย่าทําให้เขายึดติดบางทีการไปร้องห่มร้องไห้เนี่ย สำคัญเียในะคะตรงนี้คนตายไม่อยากตายคนที่ร้องไห้ในส่วนใหญ่หลวงพ่อสนองบอกมันต้องมีค้างอยู่กับตัวคนนั้นว่ามันขัดขาดทําอะไรตัวเองผิดอะไรกับคนนั้นหรือเปล่าแล้วมันร้องไห้เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าทําได้เต็มที่จริงๆเนี่ยมันไม่ค้างใจแล้วเขาได้ปรฏิบัติเต็มที่แต่ส่วนใหญ่คนที่ร้องไห้คือมันรู้ว่าอดีตเนี่ยเราอาจจะพลาดหรือทําอะไรให้คนใกล้จะตายเสียใจ แล้ามานั่วร้องไห้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะแก้โต้ตั ว, อ, ตวอย่างที่พ่อทนที่ไม่อยากให้ลูกตายเนี่ยเพราะว่ายัางรู้สึกผิดที่เอาอะไรไม่ดีกับลูก <จะ S 2> เอาไว้ใช่ไหมะพอพ่อเองเนี่ยเขได้พูดได้พูด ม, มันก็ทําให้เกิดการเยียวยาทั้งสองฝ่ายนะบางทีเนี่ยนะถ้าเราสามารถเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ได้พูดความในใจออกมานเนี่ยไอ้การจาไปอย่างสงบก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกข้างขาดใจในฝ่ายผู้ที่เจ็บป่วยเจ้าค่ะหรือเป็นความค้างขาดใจในฝ่ายที่เป็นญาติสําคัญมากเพราะฉะนั้นในญาติเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าเขามีความสําคัญมากนะบางทีเราไปพึ่งหมอไปพึ่งพยาบาลแต่เราลืมไปว่าตัวญาติเนี่ยเขาสามารถจะทําอะไรสิ่งดีๆให้กับคนไข้ได้อย่างน้อยนะแม่งพูดเรื่องการบอกทางการได้ขอความมาการได้ขอสีการได้พู้ความในใจและบางทีนะคนไข้เนี่ย เขารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ถูกอย่างเช่นมีมีแม่เนี่ยป่วยนะอาการก็หนักพยาบาลเนี่ยก็เห็นว่าคงจะไม่ไหวแล้วก็มาแนะนำลูกว่าให้ไปขอขอมาแม่ซะลูกเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงคือคนใกล้ชิดนี่บางทีขอขอมาไม้เป็นนะเจค่ะขอโทษก็ไม่กล้าเขินแล้วก็พยาบาลก็แนะนำลูกก็ทำตาม แต่แม่ก็ยังสีหน้ายังมีแววหม่นหมองบางอย่างพยาบาลสังเกตก็เลยไปถามลูกว่าได้พูดความในใจหมดหรือยังลูกบอกพยาบาลรู้ได้ยังไงมีเรื่องทีงไม่ได้พูดก็คือว่าไปอยู่กินกับผู้หญิงยังไม่ได้บอกแม่เลยเก็บปิดไว้ก่อนเก็บไว้เก็บเป็นความลับไว้คิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญใช่แต่แม่เนี่ยพอเซ็นได้แล้วแม่รู้สึกว่า ทำไมจนถึงป่านนี้ ย, ยังไม่บอกความในใจใช่ไหมหแม่ก็รู้สึกว่าทําไมลูกเป็นอย่างนั้นน้อยใจสุดท้ายแกไปบอกเปิดเผยว่าเนี่ยได้ไปอยู่กินู้หญิงแล้วนะไม่ได้บอกแม่ขอโทษด้วยแม่ก็รู้สึกดีขึ้นนะบางทีคนเราก็มีแค่นี้เต็กเรื่องเรื่องแค่นี้นะซึ่งคนที่เป็นคนไข้เนี่ยกับคนที่เป็นญาติเนี่ยถ้าว่าจับตรงนี้ได้เนี่ยพยายามเปิดเผอสิ่งค้างคาใจที่มีต่อกัน มันก็จะสบายใจบางคนเนี่ยเสียใจคนไข้เนี่ยที่ไม่ได้พูดความในใจบางอย่างเช่นภรรยาเสียใจที่ไม่ได้บอกรักกับสามีอยากจะบอกก็ไม่ได้บอจนกทั้งสามีโคม่าแล้วก็มานั่งเสียใจซึมว่าทำไมไม่ได้พูดกับเขาในยามที่เขามีชีวิตอยู่ไอ้ที่นะฉันกระแทกกระชัน้นไปแต่จริงๆแนละ้วฉันยังรักเธอแลวไม่เคยพูดเลยนะ แต่พยาบาลนี่แกวัยเนี่ยพยาบาลก็สังเกตว่าเขาซึมใช่ไหมก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาก็เลยเล่าว่าเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้พูดตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วพยาบาลบอกว่ายังไม่สายยังไม่สายคอยคุณพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดเหมือนกับว่าเขายังปกติดีอยู่ต้องการฟังอยู่ภรรยาก็พูดว่าเนี่ยเขาสุขเขาว่าฉันยังมีความสุขเป็นคนโชคดีมากที่ได้อยู่กับเธอใช่ไหอนะมีความสุขมากมีซึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า ฉันรักเธอฉันคงอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเธอแต่ว่าฉันก็มกหมายเธอได้ทุกมากไปกัน่นี้แล้วนะถ้าว่าเธอจะไปก็ขอให้ไปอย่างสงบไม่ต้องห่วงฉันฉันก็คงจะอยู่ได้พอพูดอย่างนี้เสร็จปรากฏว่าคนไข้าหายใจยาวแล้วก็ไปเลยวันนี้เขอแค่นี้นะ